อบายสี่คือหนึ่งนิระยะได้แก่นรกสองติรชานโยนิได้แก่กำเนิดติรชานสาปิติวิเศะได้แก่ภูมิแห่งเปรตสี่อสุรกายได้แก่พวกอสูรหรืออสุระประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษามาทำความเข้าใจกับคำว่า อบายเสียก่อนคำว่าอบายนี้ได้แก่ภูมิหรือว่ากำเนิดอันหาความเจริญไม่ได้เป็นภูมิของพวกต่ำช้าสามานนะเป็นภูมิของพวกที่ที่ตกตำ่ำ อ, อ, อ, อันมนุษย์ไม่พึงปรารถนาจะไปสู่ในภพนั้นท่านจำแนกออกเป็นสี่หรือถ้าเราจะพูดให้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า อถ้าเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคําว่าอบายนี่ก็คือว่าสถานที่ไม่เจริญนะสถานที่ไม่เจริญหรือสถานที่ทําให้เรานั้นชิบหายที่เราเรียกว่าอบายามุกทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความชิบหายอ่อบายชิบหายนั่นเองทีนี้นี่ก็ว่าเป็นอบายภูมินั่นเองนะก็เป็นภูมทิที่ที่เสื่อมที่ชิบหายที่ไม่เจริญ ที่ไม่จเจริญก็มีอยู่สี่อย่างก็คือหนึ่งนิระยะนิระยะในที่นี้หรือนิระยะนี้เขาแปลว่านารก น, นรกในที่นี้ท่านกล่าวว่าเป็นภูมิที่ลงโทษแก่บุคคลผู้ทําบาปแล้วไปเกิดในที่นั้นกล่าวโดยบุคลาธิษฐานก็คือมี น, นายนิรยาบาลเป็นผู้จัดการลงโทษจัด ต, ตามโทษต่างๆกัน มีการประหารแล้วก็ลวกน้ำร้อนเป็นต้นในนรกนี้มีพระยายมเป็นใหญ่เมื่อสั์ผู้ใดทำบาปไว้ต้องนำไปให้พระยายมชําระแล้วก็จัดการลงโทษมีกกะมีประการต่างๆตามแต่การกระทำของสัตว์นั้นๆอีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวว่าการที่สัตว์ต้องเสวยกรรมต่างๆนั้นเป็นเพราะกรรมคือการกระทำบันดาลให้ อาหารของสัตว์นรกนั้นท่านกล่าวว่ากรรมท่านกล่าวว่ากรรมคือสัตว์ผู้ตกนรกต้องเสวยผลกรรมของตนอยู่เป็นอาจินข้อนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้ทรงเปรียบสัตว์นรกไว้ว่าเป็นเสมือนนักโทษผู้ต้องอาญาแผ่นดินตามกฎหมายผู้ที่เป็นนักโทษต้องรับโทษอยู่ในเรือนจําแต่รัฐบาลจัดอาหารให้กินไม่ต้องอดอยากมากนัก เช่นนี้ก็เพราะความผิดที่บุคคลนั้นๆกระทาไว้เป็นเหตุให้ต้องได้รับผลของการกระทานี่เป็นเรื่องของนิระยะ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ า, าพวกที่กาเนิดอยู่ในนิระยะหรือว่าในนรกนี้ต้องเสวยกรรมกรต่างๆนะต้องเสวยกรรมกรต่างๆคือบางทีก็ถูกพวกไฟลวกนะ ถูกประหัดประหารอะไรต่างๆนานาดังที่บางทีเราเคยเห็นภาพว่าเป็นคนตกในกระทะทองแดงบ้างถูกเอาเลื่อยมาเลื่อยบ้างหรือบางครั้งก็ขึ้นตนยิ้วถูกขอกทิ่มแทงบ้างนะบางครั้งก็ถูกยมบาลได้ลงโทษโดยประการต่างๆนะพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ แปลกๆนะเป็นเรื่องที่แปลกๆอันนี้เราพูดมาเกี่ยวกับ เ, เป็นปุกลาทิฏฐานนะสัมภาษณ์ที่เขาภาพที่เขาว่าให้เห็นดำสถานที่ต่างๆเพือ่อเป็นการให้อคนดูคนเห็นแล้วก็เกิดความกลัวไม่ทำํำนะไม่ทำํำออย่างนี้เป็นเรื่องของอนิระยะส่วนข้อสองก็คือดีรัชฉานโยนิ <c oughs> ดีรัชฉานโยนิก็คือกำเนิดดีรัชฉาน หรือว่ากำเนิดดิรกชานันคือหมายถึงว่าไปเกิดเป็นนิเราชานันพวกดิรกชันในที่นี้มีอยู่สองจำพวกคือจำพวกที่ไม่มีพบอยู่ต่างหากได้แก่สัตว์สองเท้าสี่เท้าและหาเท้าไม่ได้ต้องอาศัยมนุษย์โลกอยู่และท่านกล่าวว่ายังมีพวกครุฑพวกนาคมีพบเป็นที่อยู่ต่างหากมีพระราชาในพวกกันเองมีความสมบูรณ์ ด้วยสมบัติต่างๆแต่ท่านก็ยังนับว่าเป็นอบายเพราะไม่สามารถจะทำความเจริญให้เกิดขึ้นได้สามอาหารของสัตว์ในดะฉานย่อมมีต่างๆกันตามประเภทของของในดะฉานนั้นๆมีต้นหญ้าใบไม้และก็เนื้อของสัตว์ใรดะฉานเหล่านี้เป็นต้นคือพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้คำว่าดนดะฉานนี้ถ้าเขาแตกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ไปขวางแล้วผู้ไปขวาง คือหมายถึงว่าไอ้คนทําอะไรเนี่ยมันมันไม่มันไม่เหมือนคนมันขวางคนว่าองั้นเถอะมันขวางคนฉะนั้นในสัตว์เดรัจฉานมันมีสี่เท้ามันจึงเดินไปขวางคนนะม่มันไม่เจริญให้คนเราเจริญแล้วมันไม่ได้เดินขวางเดินเราเดินตั้งนะคนเราเดินตั้งหัวหัวขึ้นข้างบนนะหัวขึ้นสูงแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานในหัวมันขวางนะหัวมันขวางมันขวางคน จะให้คนเราที่ที่ทําอะไรต่ำๆคิดต่าๆที่กวาพวกดิราชานเนี่ยก็คื อ, อคนที่ไปขวางนั่นเอง <c oughs> ถ้าเราฟังอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าเคืองไม่น่าโกรธถ้าขยาดาแล้วว่ า, อาไอ้สัตว์ดิราชานก็คือว่าไอ้สัตว์ที่ไปขวางหรือว่าคนไปขวางอาไปขวางคนขวางหูขวางตาเนี่ยมันก็ไม่น่าเคืองแต่ถ้าใครแต่ถ้าเราพูดว่าสัตว์ดิราชานคําเดียวเหมือนมันน่าเคืองเหมือนมันต่ำเหลือเกินนะมันต่ํามากอ่า แต่จ ะ, จะย่างไรก็แล้วแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องของภาษานะเป็นเรื่องของภาษาแต่ว่าสัจจะสานก็นั่นแหละยังมีพวกครุฑนะพวกนาคพวกครุฑพวกนาคนี่ก็มีพระราชาของตนนะเช่นเราเคยได้ฟังเ <c> ก <oughs> ี่ยวกับเรื่องอพระเพศพันยักษ์นะพระเพศพันยักษ์เกี่ยวกับเรื่องเท้าทศรถเท้าจตุมหาโลกบาลทั้งสี่นะเช่นเท้าทศรถเท้าวีรูนหกเท้าวีรูนปัก พวกเท้าเวสุวรรณหรือเท้ากูเวนเนี่ยแต่และพวกก็มีลูกน้องเป็นพวกพุทธพวกนาคพวก้นทันเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมีเป็นพระราชาแล้วมีการต่อสู้กันอะไรกันนี่อย่างนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องพันยักษ์นั่นเองแล้วก็มีในหัวข้อที่สามก็คือปิติวิเศษภูมิแห่งเปรตเปรตซึ่งแปลว่าผู้ละไปแล้ว <c oughs> หมายเอาผีซึ่งเคยเป็นมนุษย์มาก่อน ยังไม่ได้ไปถือกําเนิดในภูมิอื่นก็มีและหมายเอาสัตว์จําพวกที่ทำบาปแต่มีโทษไม่ถึงนรกก็มีหมายเอาสัตว์ผู้พ้นจากนรกขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ไปถือกําเนิดในที่อื่นก็มีเปรตเหล่านี้เป็นผู้มีร่างไม่สมประกอบเป็นผู้อดอยากยากแค้นมีความทุกข์เดือดร้อนต่างๆอาศัยอยู่ในมนุษย์โลกก็มี มีภูมิอยู่ตามลำพังของพวกตนก็มีบางพวกยังมีวิมานเป็นอยู่อีกด้วยท่านกล่าวว่าได้เสวยสุขและทุกปนกันได้เสวยสุขอยู่ในวิมานในกลางวันครั้นตกค่าลงก็ต้องออกจากวิมานไปเสวยทุกกรรมกรต่างๆคั้นสว่างขึ้นก็กลับไปเสวยสุขอยู่ในวิมานนั้นอีกต่อไปอาหารของจาพวกเทท่านกล่าวว่าในแก่กรรม และผลแห่งทานที่ญาติมิตรอุทิศไปให้ด้วยนะเอามาพูดถึงเปรตก็มีเรื่องที่พวกเราจะพูดคุยกันมากมายเพราะว่าที่เรากรวดน้ํากันไปเนี่ยเราไปให้ใครนะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลต่างๆทําบุญไปนี่เราไปให้ใครก็คือเราก็ไปให้พวกเอเจ้ากรรมในเวรนะเจ้ากรรมในเวรหรือพวกญาติของเราที่ร่วงลับไปแล้วนะร่วงลับไปแล้ว ก็ไปเกิดอยู่เป็นเปรตหรือในปิติวิเยะก็คือในวิสัยแห่งเปรตฉะนั้นถ้าหากว่าญาติของเราที่ตายไปไม่ได้อยู่ในปิติวิเศษเขาก็ย่อมไม่ได้รับส่วนบุญที่เราอุทิศไปให้สมมุติว่าญาติของเราไปเกิดเป็นมนุษย์นะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมออย่างนี้เราทําบุญอุทิศไปให้ไม่ได้ครับหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะ เป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นมา้าเป็นงูอ่าเป็นแมวอ่าอย่างนี้เราทําบุญอุทิศไปให้เขาไม่ได้ครับเพราะอะไรก็เพราะว่าสัสตว์พวกนี้เขามีอาหารของเขากินงัวควายก็มีหญ้ามีฟางช้างม้าก็มีใบไม้มีหญ้ามีฟางงูก็มีพวกสัตว์ต่างๆเล็กๆเป็นอาหารน่ะคนเราก็มีอาหารของคนเทวดาก็มีอาหารทิพย์พรหมก็มีอาหารทิพย์ฉะนั้นเราทําบุญอุทิศให้อย่างนี้เขาไม่ได้รับ นะไม่ได้ครับแต่ถ้าหากว่าไปเกิดอยู่ในวิสัยของเปรตนะไปเกิดเป็นเปรตแล้วก็มีหน้าที่ก็คือว่าคอยรับส่วนบุญที่ญาติพี่น้องอุทิศไปให้เท่านั้นจึงจะได้ครับเพราะาพวกเปรตนี้ไม่มีการทํามาค้าขายไม่มีการทําไร่ไถนาไม่มีอาหารกินจะกินกันได้ก็เพียงแต่แผลฝีที่มันแตกอยู่ตามเนื้อตามตัวนะเป็นแผลฝี เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองแห ม, เ ย, มยเยิ้มเยอะเยะเห็นแล้วก็ฟังดูแล้วก็น่าขยะขยงนะมันลิมเลียกันปานดังหนึ่งอมฤตนะอาเปรตนี้ท่านแสดงเป็นปุกลาธิฐานว่า <c oughs> มีตัวสูงยังต้นตาล น, นะสูงยังก็ต้นตาล น, น ะ, ะแล้วก็มีท้องใหญ่นะแล้วก็มีคอยาวแล้วช่องไอช่องคอช่องปากเนี่นะเล็กเท่ากับรูเข็ม นะเล็กเท่ากับรู้เข็มนี่ฉะนั้นก็พวกเปรตนี่มันมีความโลภมากนะมันกินมันก็เรียกว่าไม่รู้จักอิ่มนะมันก็หายอยู่เรื่อยจะให้คนไอคน้ไอคนที่เขาด่าว่าไอ้เปรตก็คือว่าไอ้คนที่มีโลภมากนะกินไม่อิ่มกินพร่ำเพรื่อนะไอ้คนไหนกินพร่ำเพื่อนั่นแหละคนนั้นเป็นเปรตนะคนนั้นเป็นเปรตไม่รู้จักอิ่มตกเป็นธาตุของเอของความหิวเห็นแก่ปากแก่ท้องนี่แหละพวกเปรตนะฉะนั้น เกี่ยวกับเรื่องเปรตนี่ก็มีเรื่องเยอะนะมีเรื่องเยอะเพราะว่าบางคนก็ตายไปแล้วเป็นเปรตก็ไปคอยอุทิศคอยรับผลบุญที่ญาติจะอุทิศไปให้บางคนก็เดินไปเจอเปรตเอาตอนเช้าเช้ามืดหรือว่าตอนหัวค่ําเนี่ยนะอตอนหัวค่ําหรือตอนเช้ามืดเนี่นะไปเจอมันจะสูงมากบางคนก็เดินไปจนลอดแข้งลอดขาไปแล้วยังไม่รู้อีกว่ามันอะไรนึกว่าต้นไม้เหลียวมาดูจริงอ้าวกลายเป็นรูปเปรตไปวิง่ง ไปเลยก็แล้วกันนะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่เป็นปุกะลาธิฐานที่เราเล่าต่อๆอกันมาแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่คนที่มีความโลภเนี่ยก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตนะพวการักของเขากินพวกอาหารอาหากินในทางมิชาชีพฉกคิงวิ่งราวอะไรเหล่าเนี้ยไปเกิดเป็นเปรตทางนั้นนะฉะนั้นคนที่ฟังเรื่องอาญาติของพระเจ้าพิมพิสารมาก็พอจะเข้าใจนะพอจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญอุทิศให้กับญาติผู้ที่ตาย พระเจ้าพิมพิสานี้ได้ทําบุญอุทิอ่าพระเจ้าพิมพิสารได้ทําบุญนะฉลองเป็นการใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าเลิมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วพอตกกลางคืนเวลาพระองค์ได้บรรทมอยู่ก็มีเสียงพวกเปรตมาร้องโอดครวนนะหวาดเสียวสะดุ้งหน้ากลัวมากตามพระราชมนเทียจงกระทำให้พระเจ้าพิมพิสานี่ตกใจกลัวรุมงเช้าก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า บอกว่าเมื่อคือนนี้ข้าพระองค์ในทรงบรรทมไปแล้วก็มีเสียงมาร้องโหยหวนวีดวาดน่ากลัวมากว่าเสียงนี้จะเป็นอันตรายไหมพระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่เป็นอันตรายหรอกมหาบาพิษเสียงนี้เป็นเสียงญาติของพระองค์เองเมื่อวานนี้ท่านมหาบาพิษทําบุญสุนทานแต่ไม่ได้อุทิศให้กับญาติผู้ที่ล่วงลับไปเลยมัวแต่สนุกสนานมัวแต่หลงร่าเริงเกี่ยวกับการละเล่นต่างๆมหรสยต่างๆจนลืมญาติของตน ญาติของตอนต่างก็พากันมาหวังว่าท่านจะทําบุญแล้วก็จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แต่ท่านไม่ได้ทําบุญอุทิศไปให้เขาจึงผิดหวังจึงได้มาร้องอดควรอย่างนั้นฉะนั้นพรุ่งนี้ขอให้ท่านได้ทาบุญเสียงใหม่ปรากฏว่าพระเจ้าพิมิสารก็ทําบุญใหม่ทีนี้ก็กล่าวคําอุทิศให้กับญาติผู้ที่ได้ร่วงลับไปแล้วหรือยังเช่นกล่าว ก, กับคําว่าใน อ, อชานุโสในสูตรว่า อีทางเมยาตีนางโหตุสุขิตาหนตุยาตโยอซึงแปลว่าข้าพเจ้าอขอผลบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าขอญาติของข้าพเจ้าจงมีความสุข ก, กายสุขใจเถิดนี่หรือถ้าจะพูดเป็นคํากลอนก็บอกว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแปรไปให้ภัยสารถึงบิดรมารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิสนิทกัน คนเคยร่วมเคยรักสมัครใครมีส่วนได้บุญกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอทุกท่านโมทนาทั่วหน้าเทินอย่างนี้ก็ได้นะจำง่ายดีเป็นภาษาไทยนี่พูดถึงเรื่องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปนี่เราจะต้องออกชื่อได้แล้วก็ดีนะพ่อแม่ชื่อไรลูกหลานชื่อไรพี่ป้านะอาชื่อไรออกชื่อไปเลยนะอย่างนี้ดีจะได้ไม่ต้องไปเกี่ยงกัน ไม่งั้นเราพูดรวมๆมันก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนี่เหมือนของใครกันแน่นะดังนั้นเหมือนกับเราไปคอยยืนรับบัตรอะไรล่ะถ้าหากว่าเขาไม่เรียกชื่อมันก็ยุ่งสับสนโอลมานแต่ว่าถ้าเรียกชื่อในเราก็ไปรับกันตามลําดับออกถึงชื่อเราแล้วนามส ก, กุล น, น, นั้นนามสกุลนี้ฉังนั้นก็ในเรื่องการทําบุรอุทิศให้กับพวกเปรตหรือพวกอพวกเปรตนี้เราจะต้องออกชื่อทําบุรอุทิศให้นะ นนั้นการทําบุญอุทิศให้พวกเปรตนี้เวลาทุกครั้งเราใส่บาทรเ้าก็อุทิศให้หรือทําบุญชุนทานเราก็อุทิศให้อย่างนี้ก็เพื่อป้องกันความไม่ประมาทนะเราไม่รู้หรอกว่าญาติของเราตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรนะไม่รู้แต่ไม่ไม่ได้หมายความว่าถ้าหากว่าญาติของเราไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไปเกิดเป็นพวกสัตว์แล้วบุญทานการกุศลที่เราอุทิศไปให้ไม่ถึงนั้นมันก็ศูนเปล่าใช่ไหมอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ศูนย์เปล่า คือเราก็ย่อมได้รับแก่ตัวเราเองเหมือนกับเราจะเอาขนมไปให้เพื่อนบ้านถ้าว่าเพื่อนบ้านอยู่เพื่อนบ้านก็คงจะได้ทานขนมของเราแต่ถ้าเพื่อนบ้านไม่อยู่เราก็เอาขนมนั้นกลับมาเราก็มากินเองเหมือนกันบุญทานการกุศลถ้าหากว่าอเราทําบุญอุทิศไปแล้วเขาไม่ได้รับเราก็ได้รับเองไม่สวนเปล่าเราได้รับเองอันนี้ก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดเข้าใจไปด้วยนะ นี่เป็นเรื่องของอเป็นเรื่องของอปิติวิสยะก็คือว่าภูมิแห่งเปรตทีนี้มาในข้อที่สี่ก็คือเรื่องอสุรกายนะเรื่องอสุรกายอสุรกายก็คือพวกอสุระหรือพวกอสูรได้แก่จําพวกผีที่ไม่มีตัวตนอปรากฏอชอบปรากฏเที่ยวหลอกหลอนมนุษย์ให้ตกใจกลัวจําพวกเปรตไม่หลอกเหมือนผีแต่เป็นแต่คนไปพบเข้าเอง หรือเมื่อจะต้องการร้องขอแก่คนก็แสดงตัวให้ปรากฏสมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านทรงสันนิษฐานว่าน่าจะได้แก่คนที่ยากจนแล้วรอบทําโจรกรรมหลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่นสัตว์จำพวกนี้มีอาหารเทียบกับอของยักษ์เลวๆของเกิดในสรีระ <c oughs> แห่งสัตว์ด้วยกันไม่เลือกว่าดีหรือเลวสกปรกหรือไม่ก็ตามนี่เป็นเรื่องของอสุรกาย คำว่าอสุรกายนี่อสุระนี่แปลว่าผู้ไม่กล้านะผู้ไม่กล้าคือกลัวอสอุรเนี่ยแปลว่ากลัวถ้าสุระแล้วก็แปลว่ากล้าเช่นอย่างเท้าสุรนารีเนี่ยเป็นหญิงที่กล้านะอสุระก็คือไม่กล้าไม่องอาจตนเองกันพวกนี้ต้องมาในร่างทิพอ่านะคือว่าเป็นพวกโอปปาติกะคือบางทีคล้ายว่าเป็นพวกที่ว่ามองหาตัวตนไม่ได้ พวกอสูรนี่หาตัวตนไม่ได้แต่ก็ชอบหลอกชอบหลอนพวกมนุษย์อีกเหมือนกันทีนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่านารกกับอสุรกายต่างกันอย่างไรจงพรรณนาหมายเห็นว่าผู้ประพฤติเช่นไรเป็นเหตุเกิดในอมายภูมิอ้างพุทธภาสิตประกอบอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าต่างกันอย่างนี้นรกนั้นได้แก่ภูมิเป็นที่ลงโทษของคนผู้ทาบาป ตายแล้วไปเกิดขึ้นในที่นั้นมีนายนิรยาบาลเป็นผู้ลงโทษทำกรรมต่างๆหรืออีกอย่างหนึ่งท่านแสดงไว้ว่าชนผู้ทำบาปตายแล้วย่อมไปเกิดเองการที่ได้รับทุกขเวทนาเดือดร้อนโดยประการต่างๆก็มีอยู่ในภูมินั่นเองส่วนอสุรกายนั้นได้แก่ผีที่เป็นอาธิสมานกายตระเภศที่ชั่วผููประพฤต ตั้งตนอยู่ใน อ, อกุศุลกรรมเป็นเหตุให้เกิดในอบายดังพุทธภาสิทธว่าอธรรมโมเนยังเนติเรียกว่าคนไม่มีธรรมก็ย่อมนำไปสู่นรกหรือผู้ประพฤติอธรรมอ่าผู้ประพฤติความชั่วนะย่อมนำไปสู่นรกหรือถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าอบายที่ปรากฏอยู่ในมนุษย์โลกนี้มีบ้างไหมเรียกว่าอะไร และจำพวกที่ไม่ปรากฏอยู่ในมนุษย์โลกมีหรือไม่ถ้ามีก็ยกตัวอย่างมาดูอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่ามีเรียกว่าดิแรฉานนะอาบายในที่นี้ก็ได้แก่พวกพวกสัตว์ดิแรฉานเช่นวัวควายช้างมา้าโคกระบืออะไรเหล่านี้เป็นต้นเป็ดไก่เหล่เนี่้นะเป็นต้นไม่ปรากฏในมนุษย์โลกก็เหมือนกันเช่นจำพวกนาคพวกครุฑแล้วก็ท่านกล่าวว่าสัตว์จำพวกนี้มีพบเป็นที่อยู่ของตนต่างหากจากมนุษย์ มีพระราชาเป็นใหญ่ในพวกของตนอย่างที่ได้บอกว่าพวกเท้าเจ้ตัวโล ก, กบาลทั้งสี่พวกเท้าทศรถนะ เ, เท้าวีดุลหกเท้าวีรูปักเท้ากุเวนนะหรือถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านทรงเปรียบสัตว์นรกและเปรตและสุรกายไว้อย่างไรที่เราพอจะสันนิษฐานเห็นได้และก็สัตว์นิรชาญทําทไมจึงไม่ทรงเปรียบไว้ด้วย จะอธิบายอย่างไรอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าทรงเปรียบสัตว์นรกเช่นคนลงโทษถูกรับอาญาแผ่นดินต้องรับโทษสวยกรรมกรอยู่ในพันธนาคารติดคุกติดตารางถูกใส่โซ่ตรวนหรือว่าถูกซ้อมถูกตีแต่รัฐบาลก็ให้าอาหารกินไม่อดไม่อยากนักนี่พูดถึงเรื่องสัตว์นรกจำ <c oughs> พวกที่คนลงโทษนี้แน่นอนที่สุดผู้บรรยายได้เคยเข้าไปแสดง าทําอบรมพวกนักโทษผู้ต้องหาต่างๆนานาในคุก ห, หลายครั้งนะเห็นแล้วก็บางทีก็นึกตรงสังเวทนะนึกตรงสังเวทเมื่อนับว่าเป็นสิบสิบปีมานั้นจะเห็นว่าบางทีในคุกเนี่ยไม่ค่อยสะอาดสะอ้านนะมันมันอยู่กันเป็นแดนแดนอ่านี่นักโทษการเมืองนี่นักโทษวัยรุ่นนักโทษยาเสพติดอะไรก็แล้วนักโทษเล็กๆน้อ ย, ๆ, อยๆเนี่ยเขาจะแยกกันไว้เป็นประเภทปเภท นะบางครั้งเนี่ยแม้แต่ห้องซ้วมห้องน้ํานี่ก็ไม่ค่อยมิดชิดนะไม่ค่อยมิดชิดอสกรปรกมากพื้นที่ก็ชื้นแฉะนะดูแล้วไม่ค่อยสะอาดแต่ว่าหลังๆนี้เข้าไปก็รู้สึกว่าป ร, ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสะอาดดีขึ้นนะสะอาดดีขึ้นเรียบร้อยดีขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้ก็หายไปนะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผู้ที่เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็เหมือนกับว่เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นว่างั้นเถอะนะตกนรกทั้งเป็นนั่นเอง ทีนี้มาพูดถึงเปรตตามความอคิดเห็นของสมเด็จมหาสมณเจ้าก็คือคนที่ตกทุกข์ได้ยากปวดยากหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องโดยฝืดเคืองหากินโดยเที่ยวขอทานก็คือพวกขอทานเขากินว่า ง, งั้นเถอะคือพวกเปรตก็คือพวกขอส่วนบุญเขานะเปรตเคยขอส่วนบุญเขานี่คอยรับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้นะ <c oughs> นี่เป็นหน้าที่ของเปรตเั้นเราเดินไปไหนจะเห็นพวกขอทานก็นี่แหละคือพวกเปรตนะนะคือพวกเปรต แล้วยังไงก็พวกเราจะไปขอทานเขาไนงะไปขอทานเขาเราก็เป็นเปรตทันทีแล้วส่วนพวกอสุรกายเขาเช่นว่าอคนที่อดอยากเช่นนั้นแล้วก็ยังเที่ยวลอบทําโจรกรรมในเวลาค่ําคืนตลอดถึงคนที่หลอกลวงเอาทรัพย์ของบุคคลอื่นอ่าอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าพวกอสุรกายคือไอ้พวกนี้ไม่กล้านะไม่กล้าไม่กล้าสู้ความจรงิงต้องหลอกลวงคนอื่นก็หากินโจรกรรมฉกคิงวิ่งราวงัดแงะ ปลายปีนอะไรอย่างเนี้เนี่ยพวกนี้พวกอสุรกายต้องคอยหลบๆซ่อนๆตัดช่องย่องเบาเขานี่แหละพวกสุรกายพวกไม่กล้านะแล้วก็ส่วนพวกสัตว์เดรัจฉานนั้นก็สมเด็จพระเจ้าท่านไม่ได้ทรงเปรียบเทียบไว้เพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมีปรากฏอยู่ทั่วไปในมนุษย์โลกนี้ตั้งแต่วัวควายช้างมา้างวงเยี้ว์เขี้ยวขอหมูหมาแมวอะไรก็แล้วแต่นี่อย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นพวกอ่าเป็นพวก <c oughs> สัตว์เดรัจฉานทางนั้น ฉะนั้นเมื่อพูดถึงอบายสี่แล้วก็มีเรื่องที่พวกเราหน้ า, าศึกษาหน้าเรียนรู้เป็นอย่างมากนาหน้าเรียนรู้เป็นอย่างมากเพราะว่าในชีวิตของคนเราที่เป็นมนุษย์นี้มันมีนรกสวรรค์ออยู่ด้วยกันทุกคนเรียกว่าถ้าเราทําดีมันก็เหมือนว่ามันเป็นนรกก็พูดตามตัวเราทําดีมันก็เหมือนกับว่าเป็นสวรรค์เราทําชั่วก็คือเหมือนกับว่าเป็นนรก ฉันั้น <c oughs> บางคนจึงบอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนะสวรรค์ในอกนรกในใจบางคนก็บอกว่าเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอย่างเนีน้ยนะตกนรกทั้งเป็นบางคนก็บอกว่าเหมือนกับขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นอย่างเงี้ยหรือที่เราพูดว่าเหมือนกับว่าตายแล้วเกิดใหม่นะตายแล้วเกิดใหม่ <c oughs> บางคนก็ประสบความทุกข์ยากลําบากต่างๆนาๆนานะไปอยู่ในที่ลําบากลําบนครับแขน เอแต่ก็เขาได้ช่วยเหลือออกมาได้ก็บอกแหมเหมือนกับขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นนี่ตอนที่ไปอยู่ในนั้นก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นนี่อันนี้มันก็เป็นเรื่องของของอบายนะฉะนั้นอบายอบายนี้ถือว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมก็ขอให้เราทุกคนนั้นจงพยายามทําแต่ความดีนะทําแต่ความดีอย่าทําความชั่วกันเลยการทําความดีนี่ แน่นอนที่สุดดีกย็ย่อมส่งผลไปในทางที่ดีทาชั่วก็ย่อมส่งผลไปในทางที่ชั่วเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทําดีก็เกิดความสุขกายสบายใจฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องอบายสีมีนิระยะก็คือนรกนรกนี่มันเล่าร้อนนะเล่าร้อนเดรัจฉานก็คื อ, องว้วกไายช้างมา้านะพวกนี้ก็คือพวกมีโมหะมากนะมีโมหะมากพวกที่ไปเกิดในน ร, รกนี่ได้แก่คนที่มีโทสะนะคนมีโทสะมีอารมณ์โกรธฉุนเฉียวนะ อารมณ์โกรธง่ายชอบทำร้ายผู้อื่นอย่างนี้ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกนะเป็นสัตว์นรกเพราะว่าสัตว์นรกนี้มันร้อนมากถูกไฟแผดเผาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นไอคนโกรธนี่ก็คือมันร้อนถูกไฟภายในคือไฟคือโทสะโทสะขิไฟคือโทสะมันแผดเผาอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดความกัดกลุ้มสมใจนะใครทารําอนันิดหน่อยก็โมโหโทโซด่าคนโน้ด น, นด่าคนนี้อิจฉาเขาดิจยาเขาอ่าอย่างนี้แหละพวกสัตว์นรก นะพวกสัตว์นรกนี้ส่วนสัตว์เดรัจฉานก็เป็นพวกที่มีโมหะนะคนที่มีโมหะโง่เง่าเตาตนหลงไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเป็นคนอักตัญยูไม่รู้จักคุณคณนนะไอ้พวกนี้หูเบานะหูเบามากนะใครพูดยุแยงตะแคงแย่ก็คล้อยตามไปเรื่อยใครชักชวนไปทางไหนก็เอานะเฮโลสารพพาเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพวกนี้ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานแม้จะมีชีวิตเป็นอยู่ก็เป็นสัตว์เิรัจฉานในจิตใจ ร่างเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเหมือนกับพวกสัตว์เดรัจฉานนะหลงไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วอา้าวเขาว่าลุงพ่าโน้นสักศีก็ไปลุงพ่ อ, อ, อนี้สักศีก็ไปแหนกันไปอา่าไปจนหมดเนื้อหมดตัวหรือพวกที่โมแต่ไปเชื่อผีเจ้าเข้าทรงเชื่อหมอดูเนี่ยนะี่แหละพวกนี้จนไม่ลืมหูลืมตาพวกนี้พวกสัตว์เดรัจฉานดังนั้นมีโมหะทังนั้นพวกสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ะดังนั้คนที่ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้ใคร่ว อตามความเป็นจริงเนี่ยพวกนี้แหละพวกสัตว์เดรัจฉานนะทีนี้พวกปิตริวิทย์พวกเปรตนะพวกเปรตนี่พวกมีความโลภมากนะมีความโลภมากไอ้คนมีความโลภคือคนไงพวกชอบลักขโมยเขากินอย่างเงี้ยฉกจิงวิ่งราวเนี่ยพวกพวกเนี้ยชอบลักขโมยเขากินนะหรือบางทีเขาบอกว่าคนที่กินข้าว อของพระที่เขาใส่บาตรพระมาแล้วที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพระแล้วก็ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตทางนั้นนะไปเกิดเป็นเปรตทางนั้นอันนี้แล้วก็คอยระวังให้ดีนะคนที่มีความคลุกคลีอยู่กับพระสงฆ์องค์เลนเนี่ยถ้าหากว่าประมาทาจนเกินไปก็จะทําให้ตายไปแล้วไปเกิเดเป็นเปรตได้ฉะนั้นก่อนที่จะขอก่อนที่จะกินอะไรนั่นจะต้องขออนุญาตพระเสียก่อนคนโบราณนี่กลัวมากแม้แต่สําหรับ ที่พระสำเร็จเรียบร้อยให้ลูกศิษย์ยกไปนั้นก็จะต้องขออนุญาตเสียก่อนว่าอันนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตของผมนะครับอาหารในวันเดนของพิสูจนี่ขอนะครับอถ้าไม่ขอเขากลัว่าจะตายไปเกิดเป็นเปรต เ, น, เนีเดี๋ยวจะไปต้องไปยืนตัวสูงเท่าลําตาลอท้องป่องแล้วก็ไอพุงโรก้กนปอดแบบนั้นนะแล้วก็คอเล็กเท่ากับรููเข็มแหมจะสูจะกินอะไรไมันก็ไม่รู้จักอิ่มมีแต่ความหิวกระหาย อ, อย่างนี้เลยไปเกิดเป็นเปรต หรือถ้าใครไม่เคยเห็นเปรตก็โนอนไปดูนวนท์วัดไผ่หลวงวรลก็ขอมนนท์ท่านแสดงไว้เยอะแยะนี่นั่นแหละเมืองแห่งเปรตชัดๆเราไปดูสารพัดเปรดเลยนะเปรตอะไรไปดูเอาเขามีรายชื่อบอกข้างนั้นนะคนก็เห็นไปดูก็บางทีพอไปจริงๆเขาก็ไม่กล้าไปดูนะยืนไกลๆไม่กล้าบางคนก็ดูแล้วมันอุจจารตานะแต่ว่าไอ้ที่เวลาที่ตนทําแล้วก็ไม่คิดว่ามันอุจจารตานะอุจจารตาแต่พอถึงเวลาเขาแสดงให้ดูอย่างนั้นก็ว่า ว่ามันอุดจาตาถ้าเราดูให้ดีแล้วมันก็เป็นคติสอนใจแก่เรานะฉะนั้นเราก็มีโอกาสก็คงไปดูบ้างอันนั้นเขาทําเป็นปุคลาทิฏฐานนะทําเป็นปุคลาทิฏฐานอ่าแต่จริงๆแล้วเราจะสอนกันด้วยนมามธรรมเนี่ยมันมองกันไม่เคยเห็นนะเขาจึงต้องทําเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทําเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานี่แหละเรียกว่าผู้ที่มีความโลภ ก, ก็ไปเกิดเป็นเปรตนี่พวกอสุรกายนี่ผู้มีความวิตกกังวลผู้มีความกลัว ไอ้พวกนี้ก็พวกตัดช่องย่องเบาเที่ยวปลายปีนของเขาในเวลาค่ำคืนในเวลาเจ้าของไม่อยู่เนี่ยพวกอสุรกายผู้ไม่กล้ากลัวกลัวเจ้าของจะเห็นกลัวเจ้าหน้าที่จะรู้ต้องเอาคำกลางค่ากลางคืนนะหรือว่ากลางวันก็ต้องคอยดูว่าเจ้าของจะอยู่หรือไม่เมื่อไรเวลาอย่างไรเนี่ยอย่างนี้แหละถือว่าเป็นพวกอสุรกายผู้มีความกลัวฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องอบาย อาสี่มาก็คิดว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ลองเอาไปพิิพิจารณาดูว่ามันเห็นจริงตามที่ได้บรรยายมาไหมดฉะนั้นก็ควรระแวดระวังเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ควรจะทําแต่ความดีการทําความดีนั่นแหละก็จะส่งผลให้เราได้รับความดีความดีก็มีความสุขกายสบายใจอย่างต่ํำเราก็จะได้ไปเกิดมาเป็นมนุษย์อีกทั้งนึงก็ยังดีหรืออาจจะได้เกิดสูงขึ้นไปก็เกิดเป็นเทพประบุเทพธิดาเป็นพรหม หรืออาจจะถึงที่สุดตัดกิเลสตัณหาหมดได้ก็เป็นพระอรหรันต์นก็สิ้นพบสิ้นชาติก็ถือว่าเป็นบรมสุขอย่างยอดเยี่ยมเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอบายสี่มาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะได้พูดในหมวดที่สี่ในหัวข้อเรื่องว่าอปัเสนธรรมสี่ คือหนึ่งพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งสองพิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่งสามพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งสี่พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษามาทําความเข้าใจกับคําว่าอปเสนธรรมเสียก่อน <c oughs> คําว่าอปเสนธรรม แปลว่าทำเป็นที่อิงหรือว่าทำเป็นที่พึ่งพานักพึ่งพิงพึ่งพาทำสี่อย่างนี้นับว่าเป็นปฏิปทาเครื่องดาเนินไปหาความเจริญอันเป็นที่พึ่งพำนักได้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยได้เป็นที่เจริญขึ้นแห่งกุศลได้ย่อมทำลายอกุศลละทำได้จำแนกออกเป็นสีด้วยกันคือหนึ่ง พิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งข้อนี้ได้แก่การใช้ของอันสบายที่เป็นปัจจัยมีจีวรวินาศและเสนาสนะกีฬานภเพศที่แสวงหามาได้โดยทางที่ชอบหลีกเลี่ยงจากการแสวงหาโดยทางที่เป็นอเนสนาบุคคลผู้สบายนั้นหมายเอากะรยานมิตรสี่จำพวก เมื่อบุคคลผู้ใดเข้าไปคบหาสมาคมแล้วมีแต่จะแนะนำในทางที่ดีที่ชอบและทำอันสบายนั้นหมายเอาอาการเลือกหาธรรมที่ถูกแกจริตและนิสัยของตนแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติที่เสดเข้านับว่าเป็นเครื่องบำรุงความสุขไม่ให้เกิดกิเลสและอกุศลจิตขึ้นเป็นธรรมที่ยังกุศลให้เจริญขึ้น กุศลอันใดที่ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นอาคุศลใดที่มีอยู่แล้วก็จะเสื่อมไปพูดง่ายๆก็คือว่าก่อนที่เราจะาใช้หรือบริโภคหรือใช้สอยสิ่งต่างๆนั้นเราจะต้องพิจารณาไข้กวรเสียก่อนนต้องพิจารณาเสียก่อนการที่เราพิจารณาไข้กวรเสียก่อนแล้วจึงใช้แล้วจึงบริโภคนั่นแหละ เรียกว่าอัปรเสรนธรรมในข้อที่หนึ่งคือพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งนะจะเป็นการาใช้เครื่องผ้าเครื่องจีวรหรือการบริโภคอาหารหรือว่าการใช้เสนาสนะที่หลับที่นอนที่นั่งต่างๆหรือว่าการาฉันยาเภสัชต่างๆก็แล้วแต่เราก็ต้องพิจารณาโดยเฉพาะอันนี้เป็นเรื่องทําให้เรานั้นเกิดสตินะมีสติสังวร ถ้าคนเราถ้าขาดสติแล้วมันก็มีผิดพลาดได้เสื้อผ้าอาพรจีวรก็อาจจะมีมะแลงป่องหรือว่าตะขาดอยู่ได้อาหารนั้นก็อาจจะเกิดโทษแกเราได้อเตนาสนะก็อาจจะทําให้เราประมาทอาจจะหักหรืออมีหลมมีร่องอาจจะตกลงไปเกิดความพลิกแพลงแข้งขาหักก็ได้อเรื่องกีฬานาะเปสัตว์ก็ถ้าหากว่าเราประมาทก็จะทําให้เรานั้น อาถึงตายได้คืออาจจะฉันญาผิดก็ได้กินยาผิดก็ได้เพราะเราไม่ได้ดูสลากยานั่นเองฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้พิจารณาเสียก่อนหรือเราได้ประพฤติปฏิบัติด้วยการทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการรอบคอบคือมีสติอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะเสพเข้าไปก่อนที่จะอะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เท่ากับว่าเรา ดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบอันนี้แหละได้ชื่อว่าเราพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งอย่างที่สองพิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่งก็หมายความว่าการอดกลั้นนี้ต่ออารมณ์อันไม่เป็นที่เจริญใจมีหนาวมีร้อนมีหิวกระหายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นครอบงมจิตทำให้ฟุ้งซ่านทำให้ใจขุ่นมัวแล้วก็อดทนไว้ได้ ไม่แสดงอาการทุรนทุรายจนเกินไปหรือเมื่อได้รับถ้อยคาเสียดสีกระทบกระทั่งจากบุคคลอื่นหรือทุกขเวทนาเกิดขึ้นเบียดเบียนก็อดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นไม่แสดงอาการฉุนเฉียวอย่างใดอย่างหนึ่งให้ออกหน้าออกตาย่อมทนทานไว้ได้ด้วยอาการอันชื่นบานอย่างนี้แหละเรียกว่าพิจรณานแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่งพูดง่ายๆก็คือว่า ให้เราอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เราไม่ปรารถนาหนาวเราก็ต้องทนทําไปร้อนเราก็ต้องทนทําไปหิวก็ต้องทนทําไปกระหายก็ต้องทนทำไปนะคือถ้าหากว่า เ, าเราไม่อดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายแล้วเราก็จะทำงานอะไรไม่ได้เลยยิ่งเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนี้จะต้องประสบกับปัญหาอย่างนี้มากฉะนั้นเราจะต้องอดทนเมื่อเราอดทนแล้วแน่นอนที่สุด เราอดทนได้ก็จะทำให้เรานั้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าทำให้การงานน้อยใหญ่สำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่อดทนแล้วว่าอ้างว่าหนาวนักร้อนนักคิวนักกระหายนักแน่นอนที่สุดการงานนั้นก็ไม่สำเร็จหรือถึงจะสาเร็จลงได้ก็ไม่ดีไม่เรียบร้อยนะไม่ดีไม่เรียบร้อยนะ แล้วคนเราก็ถ้าหากว่าเราไม่มีความอดทนเมื่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายครอบงำจิตใ จ, จแล้วก็จะทําให้ใจนั้นฟุ้งซ่านขุนมัวเมื่อใจฟุงฟ้งฟุ้งซ่านขุนมัวแล้วก็จะทําให้เรานั้นเกิดอารมณ์ฉุนเขียวเกิดความทุรนทุรายอาจจะใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพกับโชโคโขฆ่าก็ได้นะกระโชโคโกห่าก็ได้อันนี้มันสําคัญนะอันนี้นสําคัญสังเกตดูสิคนเราบางครั้งเนี่ย ต้องแสดงคําไม่สุภาพออกมาในเมื่อเวลาตนไม่พอใจนะในเมื่อเวลาตนไม่พอใจดันั้นอันนี้เราจะต้องอดทนไว้ให้มากนะความอดทนไว้มากๆนั่นแหละสามารถที่จะบำราบหรือว่าปราบกิเลสเสียได้นะปราบกิเลสเสียได้เหมือนกับาสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยานี่แกเป็นชอบด่าคนมากนะด่าคนชอบด่าเรือเกิน แล้วแกก็ด่าสามีของแกาทุกๆวันจนกระทั่งสามีนี่อดทนท น, นแทบไม่ไหววันหนึ่งก็เลยไปปรึกษาท่านอาจารย์ที่วัดอบอกท่านอาจารย์ครับเพื่อผมจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าภรรยาของผมด่าเก่งเหลือเกินนะด่าเก่งเหลือเกินอท่านอาจารย์ก็บอกว่าอ้าจะไปยากอะไรเล่าก็าเวลาเขาดาข่าก็จะไปสนใจเขาสิ แกก็บอกแหมจะให้ไม่สนใจยังไงก็อยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันมันก็ต้องได้ยินได้ฟังอยู่รื่มไป <c oughs> ก็เอาอย่างนี้สิเวลาเขาด่าก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านซะอทําใจให้สบายอ่านหนังสือไปเรื่อยเขาด่าดังแล้วก็อ่านหนังสือดังๆเอมันก็จะแก้ได้ก็ปรากฏว่าสามีนั้นกลับมาบ้านแล้วก็หาหนังสือขึ้นอ่านพราออ่านไปได้พักมาแล้วเสียงไอพ่นมาแล้วมาเสียงตามสายแล้ว ไอ้ประเภทว่าเสียงเร็วกว่าตัวดาช็ชชชชมาเลยหนึ่งนาทีสามีก็ทนได้สองนาทีสามีก็ทนได้สามนาทีสามีก็ทนได้สี่นาทีสามีก็ทนได้ห้านาทีสามีก็ทนได้พอหกนาทีหนังสือที่ถือดูชักวันไปวันมาวันไปวันมาพอเจ็นาทีสามีก็วางหนังสือ แปดนาทีสามีก็ค่อยลุกๆเดินตรงไปหาภรรยาเก้านาทีก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าพร้อมกับพูดว่านี ee, ค่คุณคุณด่าใครภรรยาก็บอกว่าอา้าวไหนด่าตั้งเก้านาทีแล้วยังไม่รู้หรือว่าด่าใครอแกก็ชี้มือมาที่หน้าสามีบอกว่าเอาอกูด่ามึงนั่นแหละ สามีก็บอกว่าเออด่ามึงก็แล้วไปนึกว่าด่ากออูถ้าด่ากูแล้วก็ถูกซัดจะแน่นี่มันก็เป็นเรื่องของคนที่อดรนทนไม่ได้ภรรยาทนไม่ได้ต้องดา่าแต่สามีนั้นก็พอข่มได้ออข่มได้แล้วก็ใช้วิธีข่มด้วยการว่าด่ามึงก็แล้วไปนึกว่าด่ากูถ้าด่ากูแล้วก็ถูกซัดจะแน่ อ, อ, อย่างนี้มันก็หายไปอันนี้ก็ นักเรียนนักศึกษาเอาไปใช้ได้นะแต่ก็ดูนะถ้าพ่อแม่ดา่าเราก็จะเท่าเดินเข้าไปถามนะว่าพ่อแม่ด่าใครถ้าโดนเดินเข้าไปแล้วก็ได้เรื่องแน่เลยนะได้เรื่องแน่อือันนี้ก็เล่ามาเป็นการขั้นเวลาเล็กๆน้อยๆที่นี้เราก็มาดูอ่าว่าคนที่อพิจารณาแล้วอดกั้นของอย่างหนึ่งนั้น อหมายถึงว่าการอดกัน้นอารมณ์หรือว่าในสิ่งที่เราไม่พึงพอใจเมื่อเราอดกั้นไว้ได้ก็เท่ากับว่าเร า, ห ย, า, าหยุดความชั่วได้วยนะหยุดความชั่วได้เมื่อหยุดความชั่วได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมาในข้อที่สามก็คือว่าพิจนารณาแล้วก็เว้นของอย่างหนึ่งข้อนี้หมายเอาอาการเว้นของอันไม่สบาย เว้นจากการเสพจีวรบินาบาตเสนาสนะและกีฬานเพสัชอันไม่ชอบทำตามธรรมวินยัยบุคคลผู้เป็นปาประมิตรและทำอันไม่ชอบแก่จริตเมื่อเสพเข้าอกุศลกรรมย่อมเกิดขึ้นและเจริญขึ้นกุศลกรรมย่อมไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดมีอยู่แล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปคือหมายความว่าพิจารณาแล้วเว้นนะเว้นนะ ของอย่างหนึ่ง เ, เว้นของอย่างหนึ่งเว้นอะไรเว้นของ <c oughs> ที่มันไม่สบา ย, เ, ยเว้นจากการเสพจีวรหรือบินบาบเสนาสนะกีฬานาเฟสัตอันไม่ชอบทมตามพระธรรมวินัย <c oughs> อันนี้ก็หมายความว่า ถ้าที่เราเอามานุ่งเอามาห่มนั้นถ้าหากว่าเราได้มาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือว่าเป็นของที่ร้อนมาหมายความว่าที่เขารักมาอะไรมาอย่างนี้ก็ของไม่ถูกไม่ควรหรือไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยตามพระบรมมุข ธ, ธานุญาตว่าจะต้องกว้างเท่านั้นยาวเท่านั้นมีขันอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องก็เอามาใช้แล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษ หรือว่าเราได้มาแล้วไม่มีการปินทุไม่ได้วิกัปมาอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ถูกไม่ควรพวกอาหารบิณาบาเสนาสนะกีฬาเพศสัตว์ก็เหมือนกันของอะไรที่มันได้มาด้วยการผิดทานองคลองทำหรือผิดตามพุทธบัญญัติไว้เมื่อเราเอามาเสดเข้าแล้วมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษ <c oughs> ฉะนั้นก็ <c oughs> เราจะต้องเว้นของอย่างหนึ่งเราจะต้องเว้นพิจารณาแล้วก็เว้นของอย่างหนึ่ง อแล้วก็เสพของอีกอย่างหนึ่งคือว่าเสพได้ของที่ถูกที่ควรเมื่อเราทําอย่างนี้ก็ถือว่าเราทําตามประธรรมวินัยอะไรที่มันผิดธรรมผิดวินัยนั้นเราไม่เอาบุคคลผู้เป็นปาปมิตรก็คือหมายถึงว่ามิตรชั่วมิตรที่ไม่ดีเออเราก็ควรจะเว้นควรจะเว้นเพราะเราครบไปแล้วก็ทําให้เกิดทุกเกิดโทษเกิดความหายนะเพราะคนชั่วก็ย่อมแนะนําในสิ่งที่ ที่ไม่ดีไม่งามย่อมแนะนําในสิ่งที่ไม่เป็นธุร ะ, ะย่อมชักนําให้ทําแต่ความชั่วเจนแนะนําให้ฆ่าสัตว์แนะนําให้ลักซักแนะนําให้ปลูพืชผิดตเวณีแนะนําให้ปูดโกหกแนะนําให้ดื่มน้ําเมาพูดไ ง, ไง่ายๆก็คือว่าเป็นนักเลงอบอ า, บายอย่างมุกเป็นคนเจ้าชู้เป็นนักเลงเหล้านักเลงการพ น, นันพวกนี้เราถือว่าเป็นตาปรมิตรทางนั้ น, นเป็นมิตรชั่วทางนั้นอยากคบดีกว่า หรือว่าเราจะต้องไม่เสพทำอันที่ชอบแก่จริตคือหมายถึงว่าอะไรที่มันฝืนความรู้สึกเราเมื่อเสพเข้าไปแล้วอุศสรธรรมก็จะเกิดขึ้นจเจริญขึ้นอย่างนี้เราต้องละต้องเว้นนะเช่นบอกความโลภความโกรธความหลงอะไรเงี้ยหรือว่าของกินของใช้เราที่เราทําไปแล้วก็ทําให้เกิดอุศสกรกรรมเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราไม่เหมาะกับจริตของเราเราก็ต้องควรเว้นนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะทำ จะบำราบหรือว่าปรากุศส่วนและธรร ม, มสาเสียะฉะนั้นเราต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมและต้องเป็นไปตามพระธรรมวิานัยนด้วยมาในข้อสี่พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งข้อนี้หมายเอาอาการบรรเทาอากุศลวิตกอันสัมปยุทธ์ด้วยกามอันประกอบด้วยธรรมราคะพยาบาทอันมีโทสะเป็นมูลและวิงสาอันมีโทอันมีโมหะเป็นมูล อาปรเสนิธรรมได้แก่ธรรมเช่นไรนะถ้าจะมีปัญหาถามว่าอัปรเสนิธรรมเนี่ยได้แก่ธรรมเช่นไรมีเท่าไรอะไรบ้างอันนี้เราก็ตอบเลยว่าอัปรเสนิธรรมได้แก่ธรรมเป็นที่อิงหรือว่าพึ่งพิงอาศัยหรือว่าเป็นที่พำนักมีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งสองพิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่งสามพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งสี่พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่ง นี่เราอธิบายเพียงย่อๆหรือถ้าจะมีคําถามว่าผู้บําเพ็ญขันติอดทนต่อทุกขเวทนาและคําเสียดสีต่างๆไม่โต้อตอบและไม่คิดปยาบาดอาฆาตจองเวรต่อบุคคลผู้เป็นฆาตศึกที่ว่าได้บํบบาเพ็ญอเบเสรนธรรมข้อไหนอย่างไรอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าข้อที่อดทนต่อทุกขเวทนาและคําเสียดสีต่างๆไม่โต้อตอบนั้น ชื่อว่าได้บําเพ็ญอภิเสนธรรมข้อที่สองคำว่าพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งอพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งข้อที่ไม่คิดพยาบาทอาฆาตจองเว้นต่อบุคคลผู้เป็นฆาตรึกนั้นชื่อว่าได้บําเพ็ญอภิเสนธรรมข้อที่สี่ความพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งคือบรรเทาอากุศลวิตตกบรรเทาอากุศลวิตตก สามคำว่าเศษของอันสบายต่างโดยโคจรนะีอันนี้หมายถึงว่าเป็นคําถามว่าถ้าจะถามว่าคําว่าเศษของอันสบายต่างโดยจีวรบินดบาบัดเสน า, สนะาณะกีฬานเกษตรบุคคลและธรรมเป็นต้นที่ทําให้กุศลเกิดขึ้นเจริญขึ้นอกุศลไม่เกิดขึ้นอกุศลไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วเสื่อมสิ้นไปนั้นคูเศษอย่างไรอธิบายอันนี้เราก็ตอบว่า การเสดจีวรบินดาบ <c oughs> การเสดจีวรบินดบาบัดหรือเสนาสนะกีฬานาเพสัตถ้าจะพูดให้ง่ายๆคือว่าการใช้สอยผ้านะการใช้สอยเรื่องผ้านุ่งผ้าหม่มจีวรสบงอะไรกันแล้วแต่หรือเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับเรื่องยูกยารักษาโรคที่ตนได้มาแล้วโดยไม่ชอบทำ จึงจะใช้สอยและบริโภคก็ไม่ต้องเกรงกลัวหรือว่าซ่อนเล้นต่อผู้ใดและพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงเสกนะคือเราต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนแล้วจึงเสกคือมีสติว่าจีวร น, นั้นก็เป็นจีวรที่เราได้มาโดยชอบทำเราไม่ได้ไปหลอกลวงเขามาไม่ได้รับของโจรมาและสิ่งนั้นเราก็ได้ทําไว้เรียบร้อยอทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาก็ตรวจดูว่า มันเปื้อนอะไรไหมมันขาดตรงไหนหรือว่ามีสัดอะไรมีพวกตะขาบแมงป่องหรืออะไรอาศัยอยู่หรือไม่นี่เราต้องตรวจตาดูอาหารก็เหมือนกันเราได้มาโดยชอบทำไม่ได้หลอกลวงก็มากินแล้วก็อาหารนั้นก็ต้องพิจณาก่อนที่จะบริโภคเข้าไปไม่ได้บริโภคไปเพื่อความสวยงามเราบริโภคไปเพื่ อ, อยังชีวิตให้เป็นอยู่ในการที่จะประกอบคุณงามความดีแล้วอาหารนั้นก็ไม่บูดไม่เน่านะอาหารนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เรื่องเสนาสนะเหมือนกันเราไม่ได้ไปหลอกลวงเขามาสร้างนะเราก็เขาสร้างให้เราด้วยชอบธรรมหรือเราได้มาโดยชอบธรรมทุกครั้งที่เราใช้นั่งใช้นอนยืนเดินนอนนั้นเราต้องพิจารณาอว่าไม่เกิดทุกเกิดโทษแก่เราอะไรที่มันเกิดทุกแก่ดโทษเราเราก็หยุดก็เว้นเสียอยุดยารักษาโรคก่อนที่จะหยิบมาใช้ต้องวินิจฉัยต้องมีสติตรวจดูให้ดีว่ายาอันนี้แก้โรคอะไรใช้กินใช้ทาหรือว่าใช้ดม ต้องให้เหมาะกับโรคเอย่างน้อยก็ต้องให้แพทย์นั้นท่านตรวจเสียก่อนอหรือว่าเราฉันรับประทานตามแพทย์สั่งแล้วก็เราก็จะไม่มีทุกข์ไม่มีโทษอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วก็ถือว่าเราได้มาโดยชอบธรรมจึงบริโภคจึงใช้สอยได้ก็ไม่ต้องเกรงกลัวหรือว่าซ่อนเล้นต่อผู้ใดและพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงเสพคือเสพด้วยความสุขสบายไม่มีความประมาทในการเสพ ในการใช้คาว่าเศษนี่แปลว่าการใช้หรือว่าการกินการใช้พูดง่ายๆเพราะคาว่าเศษเนี่ยเราฟังเรื่องอภิเศนบะเรื่องอภิเศนธรรมแล้วก็ทำให้เรานี้อาจจะงงไปายาเสพติดก็เรียกว่าเศษยาเสพติดนะกินอาหารก็เศษนะเป็นภาษาคานะ่ะเสบอาหารานุ่งเสื้อผ้าก็ถือว่าเศพเสื้อผ้าเสพของใช้นะอุปโภคบริโภค <c oughs> แม้แต่เรื่องของสามีภรรยาบางทีก็เรียวกว่าเสพกันนะเสพเมถุนธรรมเนี่ยเสพเมถุนธรรมฉะนั้นคําว่าเสพนี่บางทีเราไปตีความแต่ในเรื่องที่มันไม่ดีไม่งามจริงๆแล้วมันเป็นคํากลางๆใช้กับอะไรได้ทั้งนั้นอใช้ได้ทั้งนั้นและคําว่าเสพตัวนี้นะกินอาหารก็เรียกว่าเสพนะใช้จีวรก็เรียกว่าเสพนะนั่งเสนาสนะก็เรียกว่าเสพนะกินอยู่กินยาก็เรียกว่าเสพนะเรียกว่าเสพทางนั้นพวก อมากๆในกลางก็เรียกว่าเสพเมื้ทุนเนี่ยติดยาเสพติดก็เรียกว่าเสพยาเสพติดนั้นเสพทางนั้นฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจว่าคำว่าเสพนี้ใช้กับการที่เราใช้สอยสิ่งต่างๆหรือบริโภคสิ่งต่างๆนะฉะนั้นในข้ อ, อนี้ก็คือว่าเราต้องเสพด้วยความสุขสบายไม่มีความประมาทในการเสพตัวบุคคล ที่มีกัลยาณธรรมหรือว่าเป็นสัตว์ปรุษัคือเป็นคนดีคนฉลาดเมื่อเสพหรือพบค้าสมาคมกับท่านเหล่านี้เข้าแล้วท่านย่อมแนะนำในทางที่ดีที่ชอบในทางที่ถูกที่ควรถึงธรรมก็เหมือนกันเป็นธรรมฝ่ายกุศล ส, สุจริญเมื่อเสพของที่เป็นที่สบายเช่นนี้แล้วกุศลที่เกิดขึ้นก็เจริญขึ้นอกุศลไม่เกิดขึ้นที่เกิดมีอยู่แล้วก็เสื่อมสิ้นไปนะ หรือถ้าจะถามว่าการบรรเทาอกุศลวิตตกอันสัมปยุตด้วยกามพยาบาทวิหิงสาถ้าไม่บรรเทาจะเกิดผลอย่างไรการพิจารณาเช่นนี้ทั้งจัดเข้าในข้อที่เท่าไหร่ของทำบมวดไหนอันนี้เราก็แก้เลยเลยว่าถ้าไม่บรรเทาย่อมเกิดผลร้ายมากคืออกุศลวิตกที่สัมปยุตด้วยกามเป็นเหตุให้ทะเยอตยานอยากในอารมณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะ อากุศลวิตกเป็นธรรมที่ชั่วลามกย่อมพาไปในทางที่เลวพยาบาทเป็นเหตุให้ลูกอาฆาตมาต ร, รายจองเวรจองกรรมไม่รู้จักจบจากสิ้นและที่สัมพยุด้วยวิหิงสาก็เป็นเหตุให้คิดเบียดเบียนบุคคลและสัตว์อื่นๆจัดเข้าในอภิเสนธรรมข้อที่สี่ถ้าจะถามว่าจงชี้อนุภาพแห่งอภเสนธรรมที่ประพฤติดีแล้วมาให้ดูทั้งสี่ข้อ อันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าอัปรเสนิธรรมที่ประพฤติดีแล้วทั้งสี่ข้อมีอนุภาพให้เกิดความสบายให้กุศลเกิดและเจริญขึ้นอกุศลให้อกุเศลเสื่อมไปไม่ใกล้เกิดขึ้นอีกเพราะพิจารณาเลือกเป็นแล้วย่อมเป็นเหตุให้เสียแต่ส่วนที่เป็นคุณให้อดกลั้นส่วนที่ไม่ปาจฉณาอันจํามาประจวบเข้าให้เว้นของที่เป็นโทษและให้บรรเทา อากุศลวิตกอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นอนุภาพแห่งอาภิเษนธรรมเมื่อพูดแห่งอปิเษนธรรมแล้วก็อยากจะพูดในข้อต่อไปอีกก็คือเกี่ยวกับเรื่องอัปัญญาสี่นะอัปัญญาสี่ก็คือหนึ่งเมตตาความรักใคร่สองกรุณาความสงสารสามุทิตาความพอยยินดีสี่อุเบกขาความวางเฉย คำว่าอปมัญญาแปลว่าภาวนาในสัตห์าประมาณมิได้เป็นอารมณ์คือหมายความว่าภาวนาทั่วไปในสัตว์ทุกจําพวกเป็นปฏิปทาของพิสุในพระธรรมวินัยนี้คําว่าอปมัญญากับเมตตากับคําว่าพรหมวิหารต่างกันคือคําว่าหรื อ, อยังเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาในในพรหมวิหารนั้นมีความแคบกว่าอปมัญญา แปลว่าัญญานี้กว้างแคบเออกว้างกว่านะกว้างกว่าคือหาประมาณม่ได้อปปรัญญานี้แปลว่าหาประมาณม่ได้คือครอบจั ก, กรวาลแต่ในพรหมวิหารนั้นยังเจาะจงอยู่ยังแคบกว่านะฉะนั้นในอปปมัญญานี้ท่านจึงจําแนกไว้เป็นสี่คือหนึ่งเมตตาได้เกิดความรักใคร่สนิทสนมปราศจากราคะความกําหนัดยินดีคือความรักใคร่ในนิมิตเป็นความประพฤติของมิตร ปรารถนาะความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความทุกข์ปรารถนาให้มีความสุขความสําราญอาการที่ปรารถนาะความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีทุกข์นี้เนี่ยชื่อว่าเมตตาสองกรุณาได้แก่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อทุกข์ของผู้อื่นมีอยู่ย่อมทําความวันไหวแก่สาธุชนคนดี ที่จะให้ประโยชน์ผู้อื่นสําเร็จได้ธรรมชาติที่จะทำความไหวจิตแก่คนดีนี้แหละที่ว่าการุณาหรืออีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวว่าธรรมชาติใดสัหนึ่งจะซื้อความทุกข์ของสัตว์อื่นจะซื้อความทุกข์ของสัตว์อื่นนําความทุกข์ของสัตว์อื่นให้ชิบหายเสียธรรมชาตินั่นแหละที่ว่าการุณาสามโมทิตา ได้แก่บุคคลทั้งหลายที่พร้อมเพรียงกันด้วยกุศลและเจตสิก น, นั้นย่อมบันเทิงรื่นเริงจิตในสมบัติลาบยศของสัตว์อื่นไม่มีความนิสยาเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นในจิตที่ว่ามุทิตาตีอุเบขาได้แก่ความวางตนเป็นกลางในเมื่อจะแผ่เมตตากรุณาไปไม่บังควรเช่นเอาใจช่วยโจรผู้ถูกลงอัดยาเป็นตัวอย่าง หรือจะพลอยยินดีด้วยสมบัติของอีกฝ่ายหนึ่งจําจะยินดีด้วยวิบัติของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยอาการที่ดํารงรักษาจิตไม่ให้ตกไปในความยินดีและยินร้ายได้โดยอาการสม่ําเสมอในหมู่สัตว์ดังนี้ชื่อว่าอุเบขาดังนั้นในธรรมทั้งสี่อย่างนี้ ที่แผ่โดยเจาะจงตัวคือมุ่งบุคคล น, นี้หรือที่แผ่โดยไม่เจาะจงตัวแต่ยังจำกัดหมู่จำกัดคณะอยู่ก็ดีจัดเป็นสมวิหารแต่ถ้าแผ่ไปในสัตว์ทุกจำพวกทุกหมู่เหล่าไม่มีประมาณแล้วก็จัดเป็นอัปปมัญญานะจัดเป็นอัปปมัญญาอันนี้ก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทาความเข้าใจอีกนิดหน่อยว่า อ่าเมตตาในธรรมสี่อย่างนี้คือในเมตตา <c oughs> ในเมตตากรุณาผู้ติตาอุเบกขาทั้งสี่อย่างนี้เหมือนกับภูมิฐานและธรรมนะหัวข้อชื่อต่างกันแต่ในข้อย่อยแล้วเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกันนั้นเหมือนกันโดยชื่อแต่ว่าความหมายก็แตกต่างกว้างแคบวกกันนะกว้างแคบวกกันการที่เราแผ่เมตตาเจาะจงให้กับดีดามารดา พระราชามหากษัระสับ อ, อย่างนี้ถือว่าเป็นเมตตาในพรหมวิหารนาในพรหมวิหารแต่เมตตาของในอัภัญญานั้นแผ่ไปโดยไม่เจาะจงแผ่ไปครอบจั ก, กรวาลนะแผ่ไปครอบจั ก, กรวาลเลยหมดเลยทั้งโลกนี้โลกหน้าสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์อยู่ในอากาศในดินใต้ดินอะไรก็แล้วแต่ละนี่อย่างนี้เป็นเมตตาใน <c oughs> ในอัภัญญาฉะนั้นก็ขอให้นัเกเรียนนักศึกษาได้ทราบไปด้วย ฉะนั้นในกรุณาก็เช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเมตตากรุณานั้นก็ขอให้เราทุกคนจงมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันอย่างเช่นเราแผ่เมตตาสัเพสัตตาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นทุกข์ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชะจงเป็นสุขเป็นสุขเถอดจะได้เบียดเบียนแก่กันและกันเลย อเนาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยเราแผ่อย่างนี้เรียกว่าอภัมัาญาหรือสุขีอัตตานังปริหาดันตุจงมีความสุกกายสุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินนี่อย่างนี้เรียกว่าเราแผ่เมตตาในะอปัมยาญะเราแผ่ไปอย่างนี้ดีนะอย่างนี้ดีคนเราถ้าหากว่ามีเมตตาแล้ว สร้างเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วรู้สึกว่ามันสบายนะมันสบายจริงๆอมันสบายเพราะว่าเราคิดเห็นว่าคนทุกคนนั้นถือว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมสุกร่วมทุกข์แก่กันอือไม่ปรารถนาที่จะให้ให้ทุกคนนั้นมีเวรมีภัยออย่างนี้ถือว่าเป็นเมตตาอันนี้เคยได้ยินได้ฟังแล้วเคยได้อ่านว่าอาสมเด็จพระสังฆราชไก่เถือนวัดมหาธาตุนะ ถือว e ่าเป็นผู้ที่มีเมตตามากสามารถที่จะเรียกไก่ป่าให้มาอยู่รวมกับไก่บ้านได้นะไก่บ้านได้นี่ด้วยอํานาจของเมตตาของท่านหรือว่าไก่ป่านั้นก็เที่ยวมาอยู่ใกล้ท่านธรรมดาไก่ป่านี้เป็นที่ประเปรียวมากนะประเปรียวมากไม่ยอมเข้าใกล้หมู่คนแต่ว่าท่านมีเมตตาสามารถที่จะให้ไก่ป่าหรือว่าไก่เถื่อนนั้นเข้ามาอยู่ใกล้ได้หรือประปนกับไก่บ้านก็ได้นี่เป็นเรื่องของเมตตาฉะนั้น จึงมีคําหนึ่งที่ผู้ผู้พูดนี้เคยสอนให้นักเรียนและประชาชนได้ว่าท่องว่ า, วาพร้อมกันว่าให้ทําจิตเมตให้จิตเหมือนปลาเมตตาเหมือนน้ําจิตที่ขาดเมตตาก็เหมือนปลาขาดน้ําอันนี้เป็นภาษิตของพระเดชสกุลของหลวงพ่อท่านพระครูศรีคนานุรักษ์เจ้าคณะเผือกศรีประจันท่านเป็นพระเถระผู้ทรงด้วยวัยวุฒคือมีอายุถึงแปดสิบศก แปสิบเจ็ดปีนะท่านมีผิวพันธุ์ดีมากนี่เนี่ยเข้าหลักของว่าคนที่แผ่เมตตาจะมีผิวพันธุ์ผ่องใสดีะท่านจึงตั้งเป็นกติว่าให้ทําจิตเหมือนปลาเมตตาเหมือนน้าจิตติขาดเมตตาก็เหมือนปลาขาดน้ำํำออันนี้มันก็เป็นความจริงไอปลาลองถ้ามันขาดน้ํามันก็ดิ้นทุรนทุรายจิตใจของเราเหมือนกันถ้าขาดเมตตามันก็ทุรนทุรายปรารถนาความทุกข์เบียดเบียนแก่ผู้อื่นแต่ถ้าจิตที่มีเมตตาก็เหมือนกับ ลาที่มีน้ำมันก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความสบายฉะนั้นมาในข้อาการุณาก็เช่นเดียวกันนะเราต้องอสร้างาความสงสารให้เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความทุกข์ต้องไม่ทำใจให้วันไหวคือหมายความว่าเมื่อเห็นเขาประสบทุกข์นะของผู้อื่นที่มีอยู่ก็ย่อมทำความวันไหว แก่สาธุชนคนดีที่จะให้ประโยชน์ผู้อื่นสำเร็จได้ธรรมชาติที่กระทำให้ไหวจิตแก่คนดีนี่แหละชื่อว่ากรุณาเอาละการบรรยายเกี่ยวกับอปิเสนิธรรมสีประการก็ดีอัปรัญญาสี่ประการก็ดีก็อพอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัส ด, ดีโดยทั่วกันขอเจริญพร